ก็นนบน้อมคุณพระตนะไตยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอากาศหน่มพรอกรมครูบาจารย์ทุกท่านแล้วก็เพื่อนในธรรมทุกทุกรูปนะจะเดินในธรรมไม่ขีดแล้วนะปฏิบัติธรรมทุกคนกันนั่งฟังกันตามสบายเนาะก็แต่สิ่งที่เราควรที่จะสังเกตก็คือสังเกต ตัวเราเนี่ยแหละเป็นหลักนะเราฟังธรรมก็คือฟังหรว่าฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในใจของเราเองหรือว่าในร่างกายของเราเองนะดูดูความรู้สึกของเราเองนะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะแล้วนะก็คอยสังเกตดูดูตัวเราเนี่แหละนะธรรมะมันอยู่ที่ที่ตัวเราเนะี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ธรรมะอย่าไปหาที่นอกตัวนะแต่ให้กลับมาดูตัวนะเหมือนคล้ายๆเรามีกระจกนะคอยกลับคอยกลับมาเห็นกลับมาเห็นกายนะของเราเองว่าทำอะไรอยู่นะคอยกลับมาดูคอยมารู้สึกว่าใจกระดังมีความความคิดความรู้สึกหรือว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะในใจนี้อยู่เนะี่ยที่จริงการปฏิบัติธรรมมันก็ ก็มีเพียงแค่นี้น ะ, นะเวลาที่ตาเราเห็นรูปตามันเห็นรูปแล้วมันมีมันเห็นถักแต่ว่าเห็นไหมนะถ้าเห็นถักแต่ว่าเห็นมันก็จบลงแค่นั้ น, นแต่ถ้ามันไม่สักแต่ว่าเห็นนะมันไปคิดปรุงแต่งต่อนะมันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าเราตามรู้ว่าสมมติตาเห็นรูปแล้วเกิดความชอบ เกิดความไม่ชอบเกิดขึ้นนะเราก็คอยรู้ทันนะอาการที่จิตมันปรุงแต่งตรงนั้นนะมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ตาเราเห็นรูปมันจะเฉยกับทุกอย่างแต่ที่จริงบางครั้งเราเห็นรูปบางอย่างเราก็เฉยเห็นรูปบางอย่างเราก็รู้สึกชอบหรือไม่ชอบนะพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นนะการมีสติ ก, ก็คือเนี่ย เรารู้ถ้าเรารู้ทันว่าตาเห็นนะก็ตักแต่ว่าเห็นมันก็จบลพงแค่นั้นแต่ถ้ามันเผลอไปปรุงต่อนะไปพอใจไม่พอใจเราก็ตามรู้ทันใจที่มันเผลอไปพอใจไม่พอใจนั่นะในสิ่งที่เห็นตรงนั้นแต่บางทีถ้าเรานะไม่รู้ทันตรงความไม่พ อ, พอใจหรือพอไม่พอใจมันก็จะเกิดสังขารการปรุงแต่งนะ ไปยึดนะไปอยากได้นะแล้วก็ไปมีความคิดต่อไปอีกทารพัฒนเลยเนะี่ยถ้าเราไม่รู้ทันนะเราก็จะไปปรุงต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่นะจิตมันก็จะวางของมันตรงนั้นนั่นแหละนะมันเป็นธรรมดานะนะธรรมดาถ้าจิตมันยังมีมีอวิชชายังมีกิเลสอยู่นะมันก็สร้างเกิดมาเป็นความพอใจไม่พอใจบ้าง เกิดการปรุงแต่งเกิดสังขารต่างๆบ้างอันเนี้ยเราก็หน้าที่ของเราก็เพียงแค่แค่รู้เท่าทันนะอวิชามันเปรียบเสมือนกับเหมือนกับรากหญ้านะเหมือนกับรากหญ้านะถ้าถ้ารากของหญ้าหรือว่าเมล็ดเมล็ดพันธุ์ของหญ้ามันยังมีอยู่ในดินนะเมื่อมีฝนเมื่อมีแดดเมื่ออุณหภูมิมัน มันสมบูรณ์นะมันก็งอกงามขึ้นบนผืนแผ่นดินนะอวิชชาที่มันยังมีอยู่ในใจนะของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะเมื่อไรที่มีความหลงเมื่อไรที่ขาดสติเมื่อ น, นั้นมันก็งอกงามขึ้นนะแต่ถ้าเมื่อไรที่เรารู้สึกตัวหรือเรารู้ทันเนี่ยนะนะเช่นเรารู้ตัวว่าจิตมันหลงไปคิดรู้ทันว่าตอนนี้ มันมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนะี่ยมันเหมือนคล้ายๆเราเราถางหญ้านะเราถางหญ้านะก็ตัดนะตัดหญ้าที่มันงอกขึ้นบนผืนแผ่นดินได้แต่บางทีมันก็ยังถางมีลึกถึงขั้นเรียกว่าถึงรากถึงเงาหรือว่าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มันอยู่ในดินนะนะนะมันไม่เหมือนกับการที่ถอนนะถอนถอนรากถอนโคนขึ้นไป สติในเบื้องต้นมันก็เหมือนกับเพียงแค่เป็นการตัดนั่นแหละนะตัดการปรุงแต่งไม่ให้มันงอกงามนะไม่ให้มันปรุงแต่งต่อนะมันยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าขุดรากถอนโคนนะนะแต่ก็ต้องอาศัยเช่นนี้แหละไปก่อนเรื่อยๆนะอาศัยการวิสติคอยรู้ทันนะเมื่อรู้ทันแล้วจิตมันก็เลิกปรุงแต่งหรือเมื่อเรารู้ทันสิ่งที่ตาเห็นรูปแล้วนะ จิตมันก็มันก็เฉยเฉยมันก็เห็นสักจะว่าเห็นอันนี้ยมันก็ถูกของมันอยู่นะนะมันเป็นขั้นที่เรียกว่าเราก็ต้องสะสมสติเช่นนี้แหละไปบ่อยๆไเรื่อยๆนะเจนทั้งมันเกิดปัญญาเกิดปัญญาในการเห็นว่านะอวิชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันคือความไม่รู้นะไม่รู้ในที่นี้คือไม่รู้ความจริงนะ่ะ มันรู้แต่มันรู้ไม่จริงนะมันไม่ใช่ว่าม si ิรู้นะแต่มันรู้ไม่จริงเหมือนกับคล้ายๆเราทำข้อสอบเนาะเราก็คิดว่าคาตอบข้อกอนี like ้เป็นคาตอบที่ถูกเราก็คิดว่าเรารู้แต่จริงมันรู้ไม่จริงนะมันมันตอบผิดนะรู้ไม่จริงเรื่องอะไรนะรู้ไม่จริงเรื่องอริยสัจ4ี่เนี่ยแหละนะรู้ไม่จริงในการที่ไม่เห็นว่าอะไรคือทุกขนะ อะไรคือเหตุของความทุกข์ทางดับทุกข์คือตรงไหนหรือว่าไม่ค่อยเชื่อว่าผลของการดับทุกข์มันมีจริงหรือไม่นะมันไม่มันไม่รู้จริงตรงนี้แหละนะอมันไม่เห็นว่ากายนี้ใจนี้นะมันเป็นทุกข์จริงๆอย่างแจ่มแจ้งนะมันยังรู้สึกว่ากายหรือว่าใจเนี้ยเดี๋ยวมันมันก็สุกบ้างนะมันก็ทุกข์บ้างนะ ซึ่งในขั้นต้นมันก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าเราก็ยังมีความเห็นผิดอยู่ตรงนี้เยอะนะถ้าตอบกันตรงๆจริงๆมาก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงต้องรู้สึกว่าใจของเราเองเนะี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขนะ์นะนะมันไม่เรายังไม่รู้สึกอย่างแจ่มชัดหรอกว่ามันทุกข์จริงๆนะเรารู้สึกว่าบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์หรือบางทีก็เฉยนะมาเป็นเช่ น, นะในใจของเรานะแต่จริงถ้า ถ้าเราสังเกตจริงๆนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือว่าเฉยนะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นนะมันก็เกิดขึ้นสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะในขั้นต้นสติปัญญาของเรามันก็แค่ตามรู้ได้ทันนั้นแหละนะแต่ทีนะ่ถ้าเป็นพระอรหันตะ์คนที่เข้าถึงความจริงจริงๆท่านเห็นว่า ไอ้เพราะไอ้สภาวะที่มันมันไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยนี่แหละนะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์จริงๆนะมันคือตรงนี้แต่ในเบื้องต้นเนี่ย เ, เ, เราเห็นเราเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับใจนะแต่เรายังไม่ทันเห็นใจจริงๆนะที่มันที่มันเป็นตัวทุกข์นะแต่ก็ต้องอาศัยการการตามดู ที่อาการของมันนี่แหละก่อนนะเห็นอาการของใจที่มันทุกข์เห็นอาการของใจที่มันสุขเห็นอาการของใจที่มันพอใจไม่พอใจนี่แหละนะเปรียบเสมือนกับเราเห็นว่าหญ้ามันเกิดขึ้นที่ตรงไหนนะถ้าเราเห็นเราก็อาจจะมีสติมันก็ตัดไปก่อนก็ต่อเมื่อว่ามันเห็นแล้วมันมีกําลังพอนะมันตามไปเห็นถึงรากเหง้าของความหลงเนี่ย มันก็อาจจะถอนหญ้าขึ้นมานะก็หมดเชื้อของกิเลสหรือว่าอาวิชชาในตรงนั้นได้เนี่ยอาการที่เราฝึกนะเราฝึกเนี่ยจริงๆเราฝึกสิ่งต่างๆเนี่ยเรายังเห็นเพียงแค่เป็นอาการของมันอยู่นะเช่นรูปเนี่ยก็ยากนะที่เราจะเห็นรูปักแต่ว่าเป็นรูปจริงๆนะยากนะที่เราจะเห็นว่าไอ้รูปเนี่ยคือธาตุดินน้ำลมไฟ มาประกอบกันที่เราตามเห็นก็คืออาการของรูปนะอาการของรูปก็คืออาการนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างนะเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นกับรูปบ้างนะอิริยาบถย่อยๆบ้างยกมือหายใจนะกระพริบตาเกืนน้ำลายพวกนี้ไอ้พวกนี้มันเป็นเพียงแค่อาการของรูปนะนะเป็นอาการของรูป แต่ต้องอาศัยอาการของรูปนี่แหละในการรู้เบื้องต้นไปก่อนนะในเบื้องต้นในการปฏิบัติทำก็ต้องรู้ ร, รู้อาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปนี่แหละคอยตามรู้นะคอยมีสติในการนัน้นรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาการของรูปนี่แหละมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะอย่างเรามีสติกับการรู้รูปนะจับหยาบนะยืนเดินนั่งนอนหรือว่า ครูเหยียดเคลื่อนไหวนะรูปหยับๆบเนี่ยมันมันจะค่อนข้างเด่นนะเราอาศัยรูปหยับหยาบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มันจิตมันอยู่กับปัจจุบันแค่นั่นแหละนะเพราะว่าจิตของเราถ้ามันไม่มีเครื่องอยู่นะมันจะล่องรอยนะมันเหมือนคล้ายๆหมานะถ้าไม่มีโซ่หรือว่าเชือกผูกมันแล้วก็เดินถือมันไปเรื่อยๆเนี่ย หมาเดี๋ยวมันก็ไปเห็นหมาตัวอื่นมันก็ไปเชาะแจ๊จอแจหรือว่าไปทะเลาะกับเขานะหรือว่ามันเห็นอะไรนะมันก็ไปของมันนะไม่ตามเจ้าของไม่สนใจเจ้าของนะจิตก็เหมือนกันนะจิตถ้าเราไม่หาเครื่องอยู่ให้กับจิตนะก็คือกรรมฐานสักอย่างนี่แหละจิตมันก็จะวอกแวกหรือว่านะล่องรอยไปนะปรุงแต่งไปเรื่อยๆ การการมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยก็คือเ พ, เพียงแค่เป็นเหมือนคล้ายๆเชือกนะให้มันคล้ายเป็นตัวที่เราลึกรู้หรือเป็นตัวที่คอยกระตุกให้มันกลับมานะแต่ไม่ใช่ไปผูกกันไวนะ้นะนะไม่ใช่ผูกกายกับใจไว้ได้วยกันตลอดเหมือนกับคล้ายๆถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเราเอาหมากับคนที่จูงหมาเนี่ยเอามาผูกกันไว้เนี่ยมาเดินไปได้วยกันเนี่ย มันก็มันก็อึดอัดนะมันก็ไม่สบายนะทั้งคู่นั่นแหละนะตัวเจ้าของเองก็ไม่สบายตัวหมาเองก็ไม่สบายนะใจนะกับกายก็เหมือนกันนะถ้าผูกกันไว้มากเกินไปเนะี่ยมันก็อึดอัดนะมันอึดอัดเราสังเกตไหมถ้าเราถ้าเราตั้งใจในการที่จะรู้มากเกินไปเนะี่ยจิตมันจะทุกข์นะจิตมันจะเครียด จิตมันจะอึดอัดนะแต่ถ้าเรารู้แบบรู้เป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็นเพียงแค่ตัวระลึกรู้รู้เฉยๆนะไม่ได้ตั้งใจเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเผลอใจไปนะนะก็รู้แบบสบายๆรู้แบบเล่นๆนะนะมันจะรู้แบบได้ผ่อนคลายกว่าเหมือนหลายท่านบางคนพอบอกให้เดินจงกรมเนะี่ยจะเริ่มอึดอัด นะอึดอัดตั้งแต่บางทีทาท่าเดินให้ผิดธรรมชาตินะหรือบางทีเดินไปสักพักหนึ่งก็จะเครียดนะเพราะว่ามันเพ่งสายตามากเกินไปหรือบางทีก็ส่งใจไปเพ่งขาที่เดินไปเพ่งกายทั้งกายที่กาลังเดินอยู่มันก็จะอึดอัดได้ง่ายแต่ถ้าเราเดินสบายๆ ส, สังเกตไหมบางทีเราเดินรอบสะนะเราเดินบินทบาทนะ เรเดินจากกุฏิมาศาลาเดินจากศาลากับกุฏิเนี่ยมันเดินสบายๆนะร่างกายก็ไม่เครียดจิตใจก็ไม่เครียดแต่ก็บางทีถ้ามันสบายเกินไปนะบางทีก็ฟุ้งซ่านได้ง่ายหรือว่าใจลอยไปได้ง่ายนะมันก็มันก็ไม่ง่ายนะถ้าจะปรับความสมดุลให้มันพอดีนะบางทีถ้าเราไม่ตั้งใจเกินไปเพ่งจ้องบางทีเราก็ ฟุ้งซ่านใจลอยเกินไปอันนี้เป็นเป็นความความสุดต่งนะในสองด้านนะหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดในสองด้านนะแต่สิ่งที่ผิดเนี่ยผิดเพื่ออะไรผิดเพื่อที่จะรู้ว่ามันผิดนะผิดก็ไม่ใช่ว่าไปโทษตัวเองว่าว่าแย่ว่าไม่ดีนะไปตีหัวตัวเองนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบางทีฉันเคยยกตัวอย่างเนาะมี หลวงตาที่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อด้วยตอนท่านบวชใหม่ๆนะก็ได้ยินเสียงลองเท้าตีหัวตัวเองนะนะหลวงพ่อก็เลยถามว่าตีตีตัวเองทําไมหรือว่าเป็นอะไรนะบอกก็มันคิดมากนะคิดมากก็ได้เครียดก็ได้ไม่ชอบความคิดนะก็เอาลองเท้าฟาดหัวตัวเองนะนะตอนที่มันคิดตอนที่มันหลงเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะตอนแล้วก็มันยังไปหลงที่ ไปโกโรธไปโทษตัวเองเอีกนะมันก็หลงซ้อนหลงนะนะมันหลงไปคิดแล้วนะก็มันก็เป็นโมหะแล้วแล้วก็มีโทสะความไม่พอใจเกิดขึ้นมาอีกนะดังนั้นบางทีในการปฏิบัติธรรมนะบางทีเราอาจจะเผลอลงไปคิดบ้างนะก็ถือว่าเป็นธรรมดานะนะหรือบางทีอย่างที่บอกเบื้องต้น ตาเห็นรูปแล้วอาจจะเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นธรรมดานะนะแต่สิ่งที่เราต้องต้องกระทําหรือว่าต้องนะรู้เท่าทันนะมันหลังจากที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะีอันนี้คือคือภาคการปฏิบัติหลงไปแล้วไม่เป็นไรหลงไปแล้วรู้ทันนะรู้ว่าเราหลงหนั่นแหละก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันนะเช่นเรารู้ว่า เราชอบรู้ว่าเราไม่ชอบรู้ว่าปรุงแต่งนะเราก็รู้ทันอันนั้นก็เรียกว่ามีสติแล้วนะการมีสติไม่ใช่เพียงแค่เรารู้ว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอย่างไรนะอยู่ในท่าไหนอันนั้นเรียกว่ามีสตินะรู้กายที่เคลื่อนไหวการมีสติรู้กายที่เคลื่อนไหวหรือรู้กายที่หยุดนิ่งเนี่ยนะเรียกว่าเป็นกายานุสตินะนะ มีสติตามรู้กายการมีสติรู้กายเนี่ยมันจะต้องรู้รู้พร้อมกันที่ปัจจุบันเลยนะแต่สภาวะที่รู้นะการรู้กายจริงๆที่มันจะต่างจากการที่เรารู้แบบเข้าไปเป็นนะรู้แบบสมาธิกับรู้แบบมีสติเนี่ยมันจะต่างกันถ้าเรารู้แบบมีสมาธิเนะี่ยจิตมันจะแนบนะจิตมันจะจมนะ เช่นเรารู้ลมเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะอยู่กับลมนะลมเคลื่อนขึ้นลมเคลื่อนลงเนี่ยจิตมันตามไปเลยนะมันตามไปเรื่อยๆนะเหมือนกับท้ายเราอยู่ในลิฟต์นั่นแหละนะลิฟต์กดขึ้นนะขึ้นไปชั้นบนสุดลิฟต์กดลงมาอยู่ชั้นล่างเนี่ยมันก็มันก็จะอ่าขึ้นลงตามจังหวะการหายใจ การเคลื่อนไหวก็เหมือนกันแหละนะถ้าเราส่งจิตไปอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นตรงลงตามไปด้วยแต่มันจะต่างกันนะบางทีถ้าเราเคยเห็นบางที่เนี่ยเขาจะมีดิฟแก้วแบบลิฟต์ใสๆถ้าเรายือนอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็บางทีเราเห็นลิฟมันขึ้นดิฟมันลงไปเนี่ยอ๋อเรายือนอยู่เฉยๆแล้วก็เห็นมันนะมันจะต่างกันกับการที่เราเข้าไปอยู่ในดิฟแล้วก็ขึ้นลงตามเขา การมีสตินะมันก็จะต่างจากการที่เราทําจิตให้เป็นสมาธิเช่นนั้นจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่มันแนบอยู่กับอารมณ์นะแล้วก็เกาะอยู่กับอารมณ์นะหรือว่าจมอยู่กับอารมณ์แต่การมีสติเนี่ยเราจะเป็นผู้เห็นอารมณ์นะเช่นเห็นกายนะก็จิตที่มีสติเนี่ยก็อยู่ต่างหากนะกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็อยู่ต่างหาก แต่อาศัยกายที่เคลื่อนไหวนะเป็นตัวรูร้ตัว ร, รู้กายมันเคลื่อนท่าไหนกายมันมีความเจ็บปวดเมื่อยเกิดขึ้นเราก็เพียงแค่รูร้แต่บางทีมันก็ไม่รู้ตลอดน ะ, นะรู้ไปบ้างก็หลงไปคิดบ้างหลงไปสุขไปทุกข์บ้างเราก็สะดับกันกันรู้แบบนั้นแหละบางทีเราเดิ น, นเราก็รู้ถึงการเดินบางทีเราก็เผลอไปคิดนะ เราก็รู้ทันว่าใจมันเผลอไปคิดนะแล้วก็พอรู้ทันแล้วความคิดมันก็ดับไปมันก็จะกลับมาเห็นกายที่เดินใหม่อะไรแบบี้มันก็จะตับกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละอันนี้เรียกว่าเป็นการเดินทางนะเป็นการฝึกสติทั้งนั้นถ้าเราเห็นนะเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงนะในกายในใจนี้นะไม่ใช่ไปคิดเห็นนะนะการเห็นก็คือว่า ไม่ได้ไปตั้งใจที่จะเห็นมันมากเกินไปแต่มันเห็นโดยเป็นธรรมชาติธรรมดานะถ้าเราไปตั้งใจมากเกินไปเนี่ยนะมันจะเข้าไปเพ่งไปจ้องนะหรือบางทีพอเราเห็นแล้วบางทีเราก็เกาะเกาะมากเกินไปมันก็เหมือนกับประคองนะตามรู้มากเกินไปบางทีนักปฏิบัติธรรมบางท่านพยายามที่อยากจะให้มันรู้ ชัดๆนะบางทีบางคนก็เลยอยากจะทำให้มันช้าๆนะเคลื่อนช้าๆเดินช้าๆตามรู้แบบละเอียดทุกทุกขณะนะทุกจังหวะนะบางทีเราก็เลยลืมว่าจิตของเรามันเผลอเข้าไปประคองในการที่จะรู้นะหรือไปเพ่งจ้องในตัวรู้นะดังนั้นการปฏิบัติแบบหลงเทียนก็เลยไ ม, ไม่ไม่ต้องทำช้ามากนะ แต่ขอให้ทําเป็นจังหวะเป็นครั้งเป็นครั้งนะทำบางทีทํากระชับกระเฉงได้ทาไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตนะมันจะรู้อารมณ์ในทีนทนละขณะทีละขณะแล้วเคลื่อนไหวหนึ่งจังหวะเนี่ยก็รู้แค่จังหวะเดียวก็พอนะไม่คล่องไปตามรู้มากกว่านั้นแต่บางทีถ้าจิตมันไปรู้อย่างอื่นของมันเองหรือมันรู้มากกว่านั้นของมันเองอันนั้นก็เป็นเรื่องของมันนะเราไม่ใช่ไปบังคับไปจัดการเขาได้ก็เห็นเออ บางทีมันก็รู้นะเช่นนั้นหรือบางทีมันก็เผลอไปไม่รู้เลยนะแล้วก็แค่อาสัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเครื่องเหมือนเครื่องปลุกสตินะให้มันมีตัวรู้นะการเคลื่อนไหวร่างกายการมีกา ร, รมาานเนี่ยที่จริงเพียงแค่เป็นการปลุกสติให้มันทำงานแค่นั้นแหละนะเพราะที่จริงไอ้ตัวสติตัว ร, รู้เนี่ยพวกเราพอจะมีอยู่แล้วนะ แต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีก็ต่อเมื่อเราเผลอไปนะเผลอไปปรุงแต่งเผลอไปคิดหรือว่าเผลอใจลอยไปนั่นแหละมันก็เลยไม่รู้ว่ากายกาลังทำอะไรนะเพราะจริงตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยกายมันทำของมันเนี่ยตลอดเวลายอยู่แล้วนะนะไม่ว่าจะเป็นเราตอนที่เราตื่นนอนเนี่ยก็ทานั่นทำนี่เยอะแยะมากมายแต่บางทีถ้าเราไม่ฝึกนะเราก็จะไม่รู้ตัว เราเดินไม่รู้วันละกี่กิโลนะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินเลยนะเพราะว่าอะไรเดินไปก็คิดไปเดินไปก็คุยไปนะอันนี้คือเราก็เดินอยู่แล้วแต่ผิด่ว่าเราไม่มีสติกลับมารู้ว่ากำลังเดินก็แค่นั้นแหละนะนะอันนี้การมีสติ ก, ก็ผิดแค่กลับมาได้ ร, รู้ว่ากายกาลังทาอะไรนะหรือบางทีที่จริงจิตนะจิตมันก็คิด จิตมันก็มีความสุขบ้างทุกบ้างหรือเฉยบ้างเนี่ยหรือบางทีมันก็ไม่คิดบ้างนนะมันก็มีของมันตลอดเวลาอยู่แล้วนะนะแต่เราก็ไม่มีสติรู้หรือรู้ไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปจมอยู่กับความคิดหรือบางทีเราก็พยายามที่จะข่มมันนะการข่มก็ผิดเหมือนกันนะนะยิ่งข่มก็ยิ่งทุกข์บางทียิ่งคงยิ่งข่มเนี่ยก็ยิ่งเครียดนะนั่นเนี่ย เราก็ไม่ข่มมันปล่อยให้มันแสดงขึ้นมาแล้วเราก็เห็นนะเหมือนกับเหมือนกับหญ้านะถ้าเราพยายามที่จะไปข่มหญ้าทุกหนทุกแห่งนะมันขึ้นมาเมื่อไร่เราก็จะไปทับนะไปหาอะไรมาทับตลอดเนี่ยบางทีมันกิเลสเนี่ยมั น, นอย่างที่เขาบอกนะกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทุกมันมันมีช่องว่างเมื่อไหรนะเผลอที่จะเกิดขึ้นนะตลอดเวลานั่นแหละนะ อืมเราอย่าไปข่มมันนะเพียงแต่ว่าเรารู้ทันเมื่อสติมันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเนี่ยมันจะดับไปของมันเองนะมันจะดับไปของมันเองไม่ต้องทําอะไรมากกว่าเพียงแค่แค่รู้นะถ้าเราทําอะไรมากกว่าแค่รู้เนี่ยคือการที่เราค่อยไปแทรกแซงจิตแล้วนะ ม, มันไม่ใช่เป็นวิปัสนาละมันเป็นเหมือนเหมือนสมถนะเนี่ยเช่นจิตไม่สงบนะ จิตไม่สงบก็พยายามทำจิตให้สงบอันนี้เป็นสมถะนะจิตที่มันไม่ดีพยายามทำจิตให้มันดีอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นการแทรกแซงแล้วนะเป็นการปรุงแต่งแต่เพียงว่าปรุงแต่งอีกคนละด้านเท่านั้นนะจิตแต่แรกมันปรุงแต่งด้านไม่ดีเราก็เลยให้มันปรุงแต่งด้านที่ดีนะเช่นจิตมันฟุ้งซ่านอก็สวดมนต์นะหรือว่าคิดถึงเรื่องดีๆอันเนี้ย มันก็อาจจะหายจากความฟุง้งซ่านใ้ด้านที่ไม่ดีนะแต่ก็มาปรุงแต่งในด้านที่ดีแทนนะถามว่าดีไหมก็ดีในระดับความคิดนะหรือดีในระดับที่แค่ทำจิตให้สงบแต่ถ้าเรานะอยากจะรู้ความจริงมากกว่านั้นก็คือต้องดูมาเฉยๆนะอะไรจะเกิดขึ้นในกายในใจเนียแค่เป็นผู้ดูเฉยๆนะดูให้มันเห็นอะไร ให้มันเห็นไตรัก์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะดูเพื่อให้เห็นใตรักนี่แหละไม่ใช่ไปดูเพื่ออะไรหรอกนะไม่ใช่ดูเพื่ออยากจะให้มันดับต่อหน้าต่อตาไม่ใช่ดูเพื่ออยากจะให้มันอ่าไม่คิดปรุงแต่งนะแต่เราดูเพื่อเห็นความจริงว่าไม่ว่ากายไม่ว่าใจเนี่ยมันก็แสดงไตรักนะไม่ว่ากายเนี่ยมันก็แสดงความเป็นทุกข์ให้เห็นนะใจนี้ก็แสดงความเป็นทุกข์ให้เห็นนะกายนี้หรือว่าใจนี้ก็แสดงความ ไม่เที่ยงนะความเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะเราดูแบบนั้นดูไปเรื่อยๆน่ะเดี๋ยวเราดูไปเบ่อยๆปัญญามันก็จะเห็นว่าอ๋อมันบังคับไม่ได้เนาะนะบังคับให้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยก็บังคับไม่ได้บังคับให้ไม่คิดไม่ปุงไม่แต่งก็บังคับไม่ได้นะแต่มันก็มีสภาวะถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่มันก็หยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งนะหรือรู้ทันเมื่อไหร่ มันก็วางความทุกข์ได้นะบางทีจิตมันก็เหมือนคล้ายๆเผลอเข้าไปหยิบทุกนะพอรู้ทันมันก็ปล่อยความทุกข์เหมือนกับคล้ายบางทีนะเราไม่รู้ว่าแก้วน้ํานี้มันร้อนเราเผลอไปโดนแก้วน้ําที่มันร้อนพอมีสติรู้มันก็มันก็ปล่อยหรือว่ามันก็นะวางสิ่งที่ถือว่ามันร้อนมันก็มันก็แค่นั้นแหละนะ จิตของเราก็เหมือนกันนะเรามีสติก็เพียงแค่ฝึกให้เห็นว่าการที่เราถือไปไปถือยึดนะยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์นะไปยึดกายยึดใจยึดความปรุงแต่งนะต่างๆเป็นตัวเป็นตนของเรานะมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์มีสติก็คือการที่เราได้ ร, รู้หรือว่ารู้ทันแล้วก็วางมันนะเมื่อใดที่เผลอไปยึดว่า เรากำลังเดินยืนนั่งนอนอันนี้ก็ถือว่าเปรียบไปยึดนะว่าตัวตนในรูปเนี่ยมันมีจริงๆแต่ถ้าเรามีสติมันจะมีปัญญาในการเห็นว่าไอ้รูปที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็เป็นเรื่องของรูปนะนะมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปนะที่ยืนเดินนั่งนอนยกมือกินข้าวหายใจอันนี้เป็นเรื่องของรูปนะปัญญามันจะเห็นค่อยๆแยกว่าอ๋อรูปมันก็ส่วนหนึ่งนะนะ นามธรรมมันก็ส่วนหนึง่งนะมันก็จะเห็นเป็นเช่นนั้นนะเรียกว่าเป็นปัญญาเบื้องต้นแยกรูปแยกนามนะเห็นอาการของรูปเห็นอาการของนามนะเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับรูปมันเป็นแบบไหนนะมันจะเกิดความเข้าใจอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ของรูปเนาะนะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนามธรรมหรือว่าจิตใจอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะ กับจิตใจหรือเป็นนามธรรมนะถ้าเห็นแบบนี้นะมันจะไม่มีตัวเราเข้าไปตรงนั้นมันจะมีแต่สักแต่ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของรูปมันเป็นเรื่องของนามนะเห็นไปเรื่อยๆนะมันจะเข้าใจความจริงว่ารูปนามเนี้มันก็ตกอยู่ในสภาวะของของไตรลักษณ์ทั้งนั้นนะถ้าจิตมันเป็นเพียงแค่ผู้เห็นเนี่ยมันก็จะแค่จะลึกรู้หรือว่าเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้นะมันก็จะไม่ทุกข์นะแต่ก็ใช่ว่า สภาวะที่มันรู้มันจะเกิดตลอดเวลานะอบางทีมันก็เผลอเข้าไปเป็นบ้างบางทีก็เผลอเข้าไปทุกบ้างเราก็เพียงแค่คอยนะระลึกรู้ได้เมื่อไหร่ก็มันก็จะออกมาจากสภาวะนั้ น, นะเหมือนกับคล้ายนะคนที่เหมือนว่ายน้ํายังไม่คล่องอ่ะเนาะบางทีมันก็ไม่ใช่จะลอยคอหรือว่าว่ายอยู่บนบนผิวน้ําได้ตลอดบางทีก็เผลอไปจมบ้างเผลอไปทุกบ้างแต่ก็ธรรมดานะนะ เมื่อเรารู้ทันเมื่อไหร่มันก็เหมือนโผล่ขึ้นมานะทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งนะก็ยังดีกว่าจมกับความทุกข์ทั้งวันทั้งคืนนะเราแต่เพียงเราต้องค อ, อยฝึกมันฝึกให้มันโผล่ขึ้นมาจากความคิดจากความหลงบ่อยๆนะทำแค่นี้แหละนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปดูที่คนอื่นนะคนอื่นเขาจะทำถูกทำผิดนะก็เป็นเรื่องของคนอื่นนะ แต่เราต้องมีสติรู้ทันตัวเองว่าเราเผลอไปไปชอบไปชังกับเขาไม่เราเผลอไปวิจารเข้าในใจไปเผลอเขาวิจารเขาออกนอกหรือเปล่าอันนี้เราก็ขาดสตินะบางทีเราไปคิดว่าเขาทำผิดเนี่ยเขาไม่ดีนะแต่บางทีเราไปวิจารเราไปว่าเขาเนี่ยเราก็ขาดสติเหมือนกันนะถ้าผู้ที่มีสติจริงๆจะสํารวม นะ่ะตำรวมคําพูดในการที่จะไปตําหนิวิจารคนอื่นนะเราจะกลับมาดูตัวเองกลับมาดูใจเราที่มันมีความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นเราจะกลับมาดูใจของเราเองที่อา่ามันมีความรู้สึกแบบไหนถ้าเรากลับมาดูใจของเราเองได้นะคําพูดมันก็จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดมันก็หยุดตรงนั้นแหละนะเพราะเราจะดูว่าอ๋อเราไปรั่วไปว่าใครนั่นก็คือ เราไม่รู้ทันละเราขาดสติแล้วนะแล้วก็กลับมาดูตัวเองที่จริงการปฏิบัติทางก็แก้กันกลับมาดูตัวเองนี่แหละคอยมาดูว่าในกายในใจของเราเองนี่แหละมันมีอะไรเกิดขึ้นนะอย่าไปดูนอกตัวนะอย่าไปดูนอกตั ว, นะ ไ, ตวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดีหรือไม่ดีถูกไม่ถูกชอบไม่ชอบนะกลับมาดูที่ตัวของเราก็พอแล้วนะอย่าไปคิดแก้ที่คนอื่นนะให้กลับมา มาแก้ไขที่ตัวของเราเองเนี่ยแหละกลับมาเห็นว่าจุดบกพร่องจุดอ่อนของเราคืออะไรนะมันก็มีกันทุกคนนั่นแหละนะแต่ถ้าเราไปมองนอกตัวเราจะเห็นแต่จุดอ่อนจุดบกพร่องจุดไม่ดีของคนอื่นแต่เราลืมที่จะดูจุดบกพร่องจุดอ่อนจุดไม่ดีของเราเองนะกลับมาดูตัวเราเองดีกว่านะเวลาในการจําพรรษาเนี่ยมันมันน้อยลงมาเต็มทีนะอย่าได้ไปเที่ยว พูดถึงคิดถึงแต่เรื่องคนอื่นให้กลับมาดูตัวเราเองนะเป็นหลักให้มาแก้ไขข้อบอกพร่องที่มันไม่ดีในตัวเราเนะี่แหละเป็นหลักแล้วก็คอยหมั่นจะเดินสิ่งที่มันดีให้มันมากขึ้นอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็ทำนะทาโดยการที่ไม่ยึดว่าเป็นตัวเราเหมือนกันนะทำแล้วก็วางนะทำดีแล้วก็วางนะช่วยคนอื่นแล้วก็วางนะหรือที่จริง ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าผิดนะรู้แล้วก็วางเหมือนกันนะรู้แล้วก็วางนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะอยู่ด้วยกันร่วมกันอย่างอย่างสันติสุขนะคือการที่เรากลับมาดูตัวเองแล้วก็แก้ไขที่ตัวเองหรือถ้าเราจะช่วยเพื่อนก็ช่วยในการที่นะเป็นกรัรชาวยมิตรกันะนะนะเป็นกัารมิตรในการที่ไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นนะไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นนะ หรืบางทีถ้าเรารู้ว่าเขาหลงไปบ้างก็อาจจะแค่สะกิดหรือว่าบางทีเราแค่เงียบเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะรู้ตัวแล้วก็แค่นั้นแหละนะเราไม่ไปปรุงต่อเราไม่ไปพูดต่อนี่บางทีเรื่องราวมันอาจจะจบลงตรงนั้นก็ได้นะอันเนี้ยการที่เราอยู่ร่วมกันเป็นการแรมิตรกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะนะสังฆะนะในในวัดนะหรือสังคะในชุมชนเนี่ยก็ถ้าเรามีสติกันทุกคนถ้าเรากลับมาดูตัวเองทุกคนเนี่ย นะสังฆะหรือชุมชนมันก็จะมีความเรียบร้อยมีความผาสุกนะแม้คนอื่นก็อาจจะยังไม่มีสติแต่เราก็คิดว่าเขาก็มีศักยภาพในการที่จะนะหลุดพ้นมีสติได้เหมือนกันนะเราก็เป็นกันนิมิตกันนะอย่ไปทํำนิตจเตียนกันนะให้มันให้มันเสียงดังให้มันเป็นความไม่เรียบร้อยในชุมชนของเราก็ให้เรากลับมาถ้าจะเพ่งโทษก็เพ่งโทษตัวเองนี่แหละนะ แต่ไม่ใช่เพ่งโทษแล้วเกิดความโกรธความเกลียดตัวเรานะแต่ให้มันโทษว่าอ๋อมันโง่เนาะที่มันไปคิดแบบนั้นมันโง่เนาะที่เราไปไปโกรธไปเกลียดคนอื่นนะที่จริงมันก็โง่นะที่ไปโกรธไปเกลียดตัวเองก็โง่เหมือนกันนะฉะนั้นเรามาทําลายความโง่ในใจของเราเนี่ยแหละก็คือทําลายอาวิชชาความเห็นผิดหรือความไม่รู้ความจริงนะเราก็จะเกิดวิชาหรือว่าเกิดปัญญาก็คือการเห็นถูก การรู้ความจริงของอริยสัจนะการรู้ความจริงของธรรมชาติเนี่ยแหละคือหน้าที่ที่เราจะทำกับตัวเราเองจะเกิดประโยชน์ตัวเราเองนะแล้วก็ถ้าเราเป็นกันและมิตรกันก็จะเกิดประโยชน์กับกับเพื่อนนะประโยชน์กับคนอื่นด้วยถ้าเราทำควบคู่กันไปทั้งสองอย่างตัวเราเองก็ทำเพื่อนเราก็ทำทุกคนก็ทำเนี่ยเรียกว่าเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านควบคู่กันไปนะในชุมชนในสังฆะเนี่ย ก็จะเกิดทั้งประโยชน์ตัวของเราเองเกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวมเปิดประโยชน์ทั้งต่อพุทธศาสนาเกิดประโยชน์ต่อทั้งโลกนี้ด้วยนะการปฏิบัติธรรมไม่คิดแต่เรื่องตัวเองหลักที่จริงเห็นต้นไม้เห็นใบหญ้าเห็นกิจการงานการต่างๆก็ทำนะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะประโยชน์แล้วก็สันติสุขก็จะเกิดขึ้นนะกับกับโลกใบนี้นะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราด้วยนะก็ก็ฝากไวนะ้เนาะกับพระพร้อมกัน Thank you.